อาจเป็นนักล้มเหลวรายย่อยเพื่อที่จะเป็นผู้ประสบความสาเร็จรายใหญ่ถามตัวเองชัดๆและบ่อยๆว่ากาลังมองหาอะไรอยู่เป้าหมายใหญ่ๆของวันหน้าเป้าหมายเล็กๆของวันนี้หรือแค่มองเมฆหมอกสลัวเลือนไปวันๆการได้คําตอบจากตัวเองอาจเป็นชนวนเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่คุ้มจริงได้ในที่สุด คนส่วนใหญ่ล้มลุกคลุกคลานอยู่กับการพยายามกระโดดซ้ำไปซ้ำมาประชอบตั้งคำถามแบบไม่มีคำตอบเป้าหมายพระเรือนตอบยากหรือตอบไม่ได้เช่นใช้อารมณ์กลุ่มในการถามตัวเองวกไปวนมาซ้ำซากว่าจะเอาไงดีจะทำยังไงดีจะยังไงต่ออีกจะหาใครมาช่วยได้คนที่ค้นพบตัวเองคือคนที่ตั้งคำถามกับตัวเองเก่ง เหมือนคุยกับตัวเองแล้วตกลงกับตัวเองถูกได้ทุกวันถ้าไม่ออกก้าวเองเลยคุณจะไม่สะดุดพลาดล้มเลยแต่คุณก็จะไม่มีวันก้าวผ่านสำเร็จด้วยให้ท่องไว้ว่าคนธรรมดาคนหนึ่งทำอะไรสักอย่างด้วยความใส่ใจนานพอเขาจะรู้รายละเอียดเกินคนอื่นและทำให้คนอื่นเห็นว่ามีดีมีข้อเด่นให้นึกถึงได้แน่ เมื่อกล้าดีและไม่กลัวล้มเหลวคุณจะกล้าผิดพลาดและทันทีที่คุณกล้าผิดพลาดกับทั้งอานอาหารพอจะรับผิดชอบและเรียนรู้จากความผิดพลาดความเชื่อมั่นจะเติบกล้าขึ้นทันทีแบบก้าวกระโดดความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงไม่ได้เกิดจากการเก่งพอจะทำเรื่องเด็ดสำเร็จบ่อยๆแต่เกิดจากการกล้ารับผิดชอบต่อความล้มเหลวไม่เป็นท่า ด้วยหัวใจที่ไม่ยั่นต่างหากเมื่อมีดีก็จะกล้าดีเมื่อกล้าดีก็เลิกกลัวการล้มเหลว